บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะแห่งสังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกใจสัตว์เอาไว้ที่ได้แสดงมาโดยลำดับนั้นมีเงื่อนไขปัจจัยอยู่สองประการประการแรกก็คือมีเชื้ออยู่ภายในใจของบุคคลแต่ละคน มากบางน้อยบางทำให้เวลาประสบอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสความรู้สึกในรูปของสังโยชน์ น, นั้นก็บังเกิดขึ้นเป็นอาการที่ปรากฏแก่จิตใจของบุคคลมากบางน้อยบ้างก็าตามพื้นฐานที่มีอยู่ดั้งเดิมเรองการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจ ตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้จะโดยนัยะอะไรก็ตามเมื่อกล่าวในเชิงที่เป็นผลคือการเจอจางบับบางลงไปของกิเลสจะเรียกชื่อว่าสังโยชน์อสาาวะอนุัยอะไรก็ได้โดยใช้การเพิ่มพูนขึ้นแห่งธรรมะลําดับขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติ มีการจำแนกแบ่งแยกคนออกไปโดยสายคุณภาพทางจิตที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาของบุคคลจะหมายความว่าถ้ากิเลสภายในมีความสงสุบพอสมควรการแสดงออกทางกายทางวาจาก็จะเป็นสุจริตซึ่งอาจบางครั้งอาจจะ มีรมมากระทบจากข้างนอกถ้าปริมาณธรรมะมีมากพอก็ทนทานต่อรมเหล่านั้นได้ถ้ามีไม่มากพอก็าอาจจะเกิดความอ่อนไหวขึ้นมาได้ว่าการลดละกิเลสระดับปุทุชนเป็นการลดละได้สองระดับระดับหนึ่งคือเอาชนะอารมณ์ชนะกิเลสในขณะนั้ น, น, น เช่นมีเรื่องกระตุ้นให้เกิดความโกรธก็คุมใจห้ามใจอดกลั้นอดทนเอาไว้ไม่โกรธหรือแม้จะโกรธอาจจะปรากฏเฉพาะภายในจิตวูบหนึ่งแล้วก็หายไปอย่าที่ผู้เจ้าทรงแสดงลักษณะของความโกรธมันที่จริงก็โกรธแต่ปริมาณของความโกรธในอายุของความโกรธไม่เท่ากัน ความโกรธง ค, คณบางคนเป็นเหมือนรอยขีดที่ปรากฏในน้ำมันก็มีรอยขีดจริงแต่เสร็จแล้วจะหายไปในเวลาที่รวดเร็วคนบางคนอาจจะโกรธแล้วก็กลายเป็นการผูกโกรธ ค, คือเก็บความโกรธเอาไว้อาจจะหลายหลายวันแลายความโกรธตอนั้นก็ค่อยๆจางไปในสุดก็หายไปก็เป็นเหมือนกับรอยขีดที่ปรากฏในดิน พอพูดถึงดินมันก็กลายเป็นดินโคลนดินแข็งดินอ่อนเป็นต้นอายุก็ลอยขีดมันก็ห่างกันออกไปตามสภาพของดินความโกรธที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ก่อให้เกิดความผูกโกรธก็เป็นเช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่คุณภาพทางจิตที่แต่ละคนไม่เหมือนกันว่า อ, อาจจะผูกความโกรธไว้มากหรือผูกความโกรธไว้น้อยก็แล้วแต่พื้นฐานจิตของเขา คนที่โกรธบางคนมีความอาฆาตพยาบาทรุนแรงเรื่องอาจจะเล็กหรือเรื่องอาจจะใหญ่ก็ได้แต่เป็นแผลอยู่ภายในใจเหมือนกนรอยขีดที่ปรากฏในหินแม้จะเป็นรอยขีดเล็กๆ ก, ก็น้อยแต่ว่าเลือนไปยากหางหายไปยากท่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพจิตคือความอ่อนไหวภายในจิต ที่บางครั้งทรงอุปมาเทียบเคียงให้ดูจิตว่ามันเหมือนกับจิตที่เป็นแผลถ้าแผลเรามีความรุนแรงกระทบนิดก็เจ็บละถ้าแผล ร, รุนแรงน้อยลงมากระทบขนาดด้านมันก็ไม่เจ็บแต่ว่าตากระทบแรงกว่าด้านก็เจ็บถ้าแผลน้อยลงหน่อยแต่กระทบแรงแรงมันก็เจ็บเหมือนกันคือสรุปว่า สภาพจิตของคนนั้นเป็นฐานสำคัญในการที่จะให้กิเลสผูกขึ้นหรือไม่ผูกขึ้นหรือผูกมากหรือผูกน้อยการสงบจิตในระดับหนึ่งก็ช่วยหลุดพ้นจากอานาจกิเลสอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าวิขมภนะปาหานคือละด้วยการจเจริญทำกรรมฐานเป็นการจเจริญสมาธิ ได้สมาธิได้ฌานสภาพจิตในเวลานั้นเป็นกุศลเพระตรบใดที่จิตยังมีสมาธิอยู่จาบนั้นกิเลสจะเยียวยาอย่างไงก็ได้มันก็เกิดขึ้นรอบงำใจไม่ได้แต่การเจริญสมาธิที่เป็นโลกิยะไม่ได้อยู่ได้นานๆก็อยู่เท่าที่มันอยู่ได้ เมื่อเราออกจากสมาธิก็เจออารมณ์จากข้างนอกถ้าไปเจออารมณ์แรงๆสมาธิก็แตกได้เร็วขนแนสมาธิจึงเป็นแนนของการหลีกเล่นการสงบการหาความวิเวกม่ยอมปะทะกับอารมณ์ม่ยอระะรร ม, มยอรู้อารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดกิเลส ต, ต่างๆ ซึ่งเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงวางเป็นแนวเอาไว้ในฉลับศีลเป็นนั้นมากเช่นการห้ามเที่ยวไปในสถานที่บางแข่งซึงทรงใช้คำว่าอโคจรคือสถานที่ที่ไม่ควรไปเพราะถ้าไปแล้วเป็นยังไงคือตาจะต้องเห็นรูปหูจะต้องฟังเสียงจมูกจะต้องได้กลิ่นลิ้นจะต้องได้รสกายจะถูกต้องเย็นร้อนรอนแข่งใจไม่แกร่งพอ อาจจะประสบปัญหาแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดของคนเจงการเข้าไปในโรงมยาบพการเข้าไปในร้านจำหน่ายสุราการเข้าไปในสถานที่หญิงบริการการาเข้าไปในสถานที่เล่นการพนันต่าง ๆ, ๆเป็นความเสื่อมเสียตั้งแต่เข้าไปพอเข้าไปแล้วสภาพแวดล้อมจะบีบคั้นอารมณ์มีลักษณะยั่วยวนด้วยประการต่าง ถ้าจิตใจไม่แกร่งพอแต่ภาพของจิตที่เคยสงบมันก็สูญเสียความสงบวันทั้งจิงห้ามไว้ในระดับของศีลบางครั้งก็สอนในระดับของการสำ ร, รวจหลวงอินทรีย์ไปทั้งหมดที่จริงแล้วเพื่อรักษาจิตโดยคุ้มครองจิตใจของเรา เยียชนะกิเลสได้จริงแต่ไม่ใช่ถาวรยั่งยืนอะไรจะให้ความมั่นใจได้และรับประกันได้เนี่ยผู้ตุชนไม่มีใครรับประกันอะไรได้แม้แต่ผู้ตุชนระดับที่บรรลุฌานแล้วก็ประกันอะไรไม่ได้เพราะรมที่มากระทบนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนยั่วยว่าเกิดความโกรธขนาดไหนยั่วยว่ให้เกิดโลภะเกิดราคะขนาดไหน วันโดยจึงพบตำนานทางพระพุทธศาสนาก็ดีในศาสนาพราหมกก็ดีว่าระดับสิทธิะระดับฤาษีที่เป็นมหารฤาษีมาเป็นเพียงทางจิตเจริญสมาธิจนบรรลุถึงรูปฌานะรูปฌานคือได้สมาบัติทั้งแปดข้อและถูกโยคลอในวันไว้ได้ด้วยอารมณ์ที่ยั่วให้รักกับยั่วให้โกรธพราะรณสองประการนี้เป็นอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่มาก ครอบงำชีวิตจิตใจของสัตว์โลกชั้นกามาประจรเอาไว้เพราะตราบใดที่ใจยังท่องเที่ยวอยู่ในชั้นกามาประจรโอกาสที่จะอ่อนไหวพ่ายแพ้ต่อลมเหล่านั้นก็มีได้ง่ายเพราะการปฏิบัติจึงทรงวางเอาไว้เป็นลำดับจนถึงสามารถตัดสังโย์ได้เด็ดขาด แต่การได้ตัดได้ขาดก็ต้องตัดด้วยอริยมรรคคืออย่างอื่นมาตัดกิเลสไม่ได้จะดีก็แค่สงบโดยนิยะที่กล่าวแล้วปนสังโยชน์ทั้งหประการสามข้อแรกความเห็นเป็นเหตถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนจนแบ่งเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาต่น เป็นอาการของความหลงหลงโลกหลงชีวิตเข้าใจผิดในกระบวนการธรรมชาติของชีวิตเพราะในแง่ของความเป็นจริงที่แท้จริงพราไ ม, ม่ตัวตนเป็นเรื่องสมมติบัญญัติเอาตัวตนเริ่มจากไม่มีอะไรแล้วมาเกาะกุมกันด้วยเหตุปัจจัยต่างๆก็กลายเป็นความมีขึ้นมาโดยลำดับในกําเนิดชีวิต แม้การสร้างอาคารสถานที่แม้แต่การปรุงอาหารแม้แต่จะทําอะไรก็ตามมันเริ่มมาจากเหตุปจัจจัยโดยตลำรับจริงๆแล้วเริ่มจากความไม่มีแล้วมาสู่ความมีต่อไปก็แยกสลายเป็นความไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจความจริงส่วนนี้จะต้องอาศัยการจเจริญระดับพิปัฒนามา ที่ใช้ปัญญาเพงพินิษพิจารณาสามารถที่จะเข้าใจความจริงตามหลักของอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวเชิดตนเราเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่ น, นอนความเป็นทุกข์ของสัตว์และสังขารทั้งหลายจนตัดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนออกไปแต่เด็ดขาดที่ท่านเรียกว่าสมุทเฉตตาปานคือละได้เด็ดขาด ทาให้จิตใจของท่า น, นเป็นสมุทรเจตวิมุตตคือรูปโพสอย่างเด็ดขาดสภาพจิตอย่างนี้มีตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปหมายความว่าความเห็นระดับนี้ต้องเป็นระดับพระโสดาบันดนนั้นเองละได้หมาหรือสีแม้จะบรรลุฌานพระแม้จะได้ฌานแล้วก็ตัดสังโยชน์เด็ดขาดไม่ได้ทำได้แค่สงบลงไป เพราะใดเพราะว่ากิเลสประเภทนี้เป็นประเภทโมหะเป็นอาการโมหะที่ยังหยาบอยู่ถ้าเทียบระดับชั้นของสังโยชน์เพราะสังโยชน์ที่เป็นโมหะมีละเอียดกว่านี้ยังมีอีกหลายข้ออาการต่อไปคือวิจิกิจจาความเครียดแครนสงสัยก็เป็นอาการของโมหะเช่นเดียวกัน ประเด็นของความเครือบแคลงสงสัยที่เป็นสนิมใจเป็นทางสองแพร่งเป็นทางกันดานเป็นทางมีเสือสิงกระทิงแรดขวางอยู่ได้แก่ลักษณะของความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่อง8เรื่องคือเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรชิกขา เครือข่ายสงสัยในอดีตอนาคตทางอดีตอนาคตและในกฎของปฏิจจสมุปบาทที่นักศึกษาชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าแม้จะมีแปดก็ตามแต่ถ้าคนเกิดศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าได้ความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมในพระสงฆ์ในตจติขาก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ อาศัยการเกาะ อ, อิงในองค์พระพุทธเจ้าคือเราอาศัยความเชื่อในพระพุทธเจ้าทำให้เราเชื่อในพระธรรมเชื่อในประสมเชื่อในไตรเดคาตมองคล้ายๆกับเราศรัทธาในหมอเราเชื่อหมอและเราเชื่อในยาเชื่อในความหายจากโรคที่จริงยังไม่เกิดแต่ความเชื่อนั้นก็สิ้นเนื่องมาจากความเชื่อหมอ เพราะฉะนคุณสมบัติของพระโสดาบันเดี๋ยวจนเรียกว่าโสดาปติยังค่ะคือคุณสมบัติดนองค์ก็คุณของความเป็นพระโสดาบันในควายของกุศลที่ปรากฏแก่จิตก็คือศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจจิตข่าจงหมายความว่าอีกสี่ประการข้างหลังที่เป็นความรู้ระดับญาณ เราไม่มียานก็อาศัยยานของพระพุทธเจ้าและที่จริงก็คือเป็นองค์ธรรมเมื่อเราสัตยานเชื่อมั่นในพระธรรมก็ทำให้สัตยาเชื่อมั่นในเรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปัจจัยาการหรือปฏิจจสมุปบาทได้ในส่วนของสังโยชน์ประโสะดาบาันก็ตัดความเคลือบแคลงสงสัยได้เด็ดขาด สังทายชณทั้งหลายจะเห็นได้ว่าคำว่าวิจิกริชนั้นปรากฏทั้งระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดจนถึงจะบรรลุมขั้วนิพพานแล้ววิจิกิจนิ ย, ยังปรากฏระดับหยาบก็คือความเครือบแคลงสงสัยในชีวิตประจำวันของเราระดับกลางๆงก็คือความเครือบแคลงสงสัยที่เป็นนิวรนเป็นสนิมใจ รับละเอียดก็คือความสงสัยที่เป็นสังโยชน์เป็นอนุสัยอยู่ภายในใจของคนตลอดถึงเป็นอุปกิเลสได้อยู่ภายในใจซึ่งแสดงเห็นได้ว่าวิจิาาในแต่ละระดับนั้นจะสามารถตัดได้เด็ดขาดจริงๆก็มีเฉพาะพระโสดาบันบุกคลขึ้นไปพอ ม, มาถึงจุดนี้แล้วไม่ว่าใครจะทำอะไร จะพูดจะจาอย่างไงก็ตามท่านจะไม่หวั่นไหวอะไรอย่างในกรณีของพระสงฆ์ซึ่งเป็นจุดเปราะบางมากในกลุ่มพระราชนัไรเพราะไรเพราะพระสงฆ์ส่วนใหญ่นั้นเป็นปุถุชนไม่ใช่เป็นพระยาบุคคลสมัยพุทธกาลพระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็เป็นปุถุชนพระยาบุคคล น, นั้นเป็นยอดของกิจดีเท่านั้นเอง นันเป็นธรรมชาติของความสาเร็จทุกขั้นตอนของชีวิตไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามคนที่ประสบความสาเร็จจริงๆจะอยู่ข้า ง, งบนคือมีจำนวนไม่มากความสาเร็จทางการทหารพลเอกก็มีไม่กี่คนความสาเร็จทางการค้าเศรษฐีหลายพันล้านก็มีไม่กี่คนความสำเร็จระดับความรู้คนที่ปราดเปรื่องจริงๆแต่แข็จริงๆก็มีไม่กี่คนนั่นคือธรรมชาติ ของทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะจุดเปราะบางที่มีอยู่ในพระสงฆ์จะมีการประพฤติการกระทำของพระบางรูปที่ไม่เหมาะมสมพุถธชนไปเห็นข้าจะแกวงคือจะมองเป็นภาพศาสนาโดยรวมและจะมีความรู้สึกในทางลบต่อสถาบันสงฆ์โดยศายจากพระเพียงรูปสองรูป แต่ถ้าเป็นคนระดับปสุตดาวันแล้วแม้พระหรือคนที่อยู่ในรู ป, รปแบบของความเป็นพระไปทำอะไรก็ตามเป็นผิดสีที่เห็นจะจะท่านเห็นของท่านเองแต่ท่านจะไม่วันว้อะไรท่านจะมีก็แต่ความสงสารคนคนนั้นเท่านั้นแต่พรทธาที่ท่านมีอยู่ในพระรัตนกรัยจะไม่ถูกโยกคอในวันวา จะถามว่าท่านกล่าวร้ายท่านไปนด่า ว, ว่าท่านไปนตําหนิพระเราได้นไหมการด่า ว, ว่าการกล่าวร้ายนั้นเป็นทางแห่งอบายพระโสดาบันท่านปิดประตูอบายได้แล้วที่ท่านเรียกว่าเจตูหบาเยหิจวิปมุตโตคือพ้นจากอบายทั้งสี่ได้แล้ววันใครจะทําอะไรท่านก็จะไม่ว่ากล่าวจะไม่ตําหนิอะไรคือไม่ไปถึงกับด่า ว, ว่าอะไรท่าน อาจจะเตือนสติอาจจะให้สตินั้นแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตที่ไม่หวั่นไหวไม่ได้มองศาสนาเป็นคนได้มองศาสนาเป็นหลักของพระธรรมในเมืองคนที่มีความบกพร่องไม่สามารถจะดำเนินไปตามการลองศาสนาได้ด้วยความเมตตากรุณาและนี่คือประเด็นหลักที่มีความสาคัญมาก ผลจากการมำปฏิบัติต้องดูปฏิกิริยาที่ต่อนเนื่องมาจากผลที่ปรากฏภายในใจของเราให้เห็นคือถ้าเรายังมีความรู้สึกรุนแรงต่อคนอื่นมีความกโกรธมีความดูหมิ่นด่าว่าคนอื่นด้วยคําที่รุนแรงอยู่สแสดงเห็นว่าเราไม่มีความสงบภายในเพราะดัว โดยหลักของธรรมะปฏิบัติเมื่อเราอยู่ในจุดที่สูงกว่าคนอื่นเนี่ยเราจะมองคนอยู่ต่ำกว่าเราด้วยความกรุณาอย่างเดียวถ้าสูวิสัยก็จะเกิดอุเบกขาแต่โดยปกติแล้วจะมองด้วยความกรุณาเราจะเพียนพยายามชื่อเหลือท่านหลดนั้นให้ ผ่านพ้นความทุกข์ความเดือดร้อนที่ท่านกำลังประสบอยู่เช่นปฏิปทาของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยะบุคคลนั้งหลายในอดีตทั้งจุดตรงนี้เราจะพบว่ายัางนางวิสาขาเคยไปพบพระอุทายีอยู่กับอุบาสิกาในที่รับตาถ้าเน้นแล้วท่านกระเตื้อให้สติมากราบทูลพระพุทธเจ้ า, เาจะเป็นปัญหาในการประพฤติปฏิบัติ แต่ถ้าไม่ได่าว่าชี้หน้าด่าการาพระอุบาลีแต่ประกันใดพระอุทายีแต่ประกันใดนั้นแสดงเห็นถึงความสงบภายในความรู้สึกต่อพระรัตนตรัยก็เหมือนเดิมคนที่มีความผิดพลาดบกพร่องก็มองด้วยกรุษนาะพระรัตนตรัยโดยรวมก็ยังมีศรัทธามั่นคงไม่ถูกโยกย้นวันไหวนั่นคือใจที่ละกิเลสได้จริง และที่มีธรรมะอยู่ภายในใจจริงลักษณะความเชื่อถือที่เป็นศิลปะตปรามาตคือการถือมั่นโดยศีลได้ว่าโดยเฉพาปฏิบัติต่างๆที่บางครั้งก็ไม่ยุติด้วยเหตุผลและความจริงบางครั้งที่จริงก็ยุติได้เพียงแต่ว่ามันมีอาการดูมินวิธีอื่นดูมินหลักการอื่นหรือปฏิเสธหลักการอื่น มีความยึดมั่นถือมั่นในหลักการของตัวเองเพราะอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างยืดไม่ถูกต้องเป็นอาการของศีลปฏิตป ร, ตบปราบบ้านเพราะอะไรเพราะว่าความถือในแนวนั้นเราสังเกตว่าถ้าคนอื่นไม่คล้อยตามเราเนี่ยเราจะไม่พอใจคนอื่นคล้อยตามเราเราจะพอใจพอใจมันจะแกว่งระหว่างความพอใจกับไม่พอใจโดยอาศัยความรู้สึกรู้ รู้สึกนึกคิดข้นงตัวเองเป็นเกในการตัดสินคนอื่นตัวนี้พระโสดาบันทำก็ะร้าได้แต่การละนั้นถึงสังเกตว่าไม่ใช่แสด ง, งการรังเกียจขยะขยแขยงต่อการกระทำเช่นนั้นถ้านาจะเกี่ยวข้องในวงศาการญาติพื่นฝูงที่ยังมีความประพฤติยังมีความเชื่อถือในแนวนั้นอยู่ท่านก็สมาคคมเขาได้ปฏิบัติร่วมเขาได้ ไม่แสดงการรังเกียจไม่แสดงการดูหมิน่นแต่จะมองด้วยความสงสารนั่นที่กล่าวแล้วการลงไปร่วมกิจกรรมนั้นก็เพื่อที่จะค่อยๆดึงคนเหล่านั้นเข้ามาทําลองที่พระเจ้าไปนั่งคุยกับนายพรานเบ็ดเชื่ออริอยะที่กําลังตกเป็ดอยู่ถ้าเดูตรงนั้นเอ้พระพุทธเจ้าทำาน่าเกลียดทําไมไป น, นั่งกับคนตกเป็ด แต่สเสด็จไปเพื่อให้ความคุ้นเคยเป็นกันเองแล้วก็ค่อยพูดเขาคงตกเบ็ดอยู่พระเจ้าก็รับสั่งไปเรื่อยคุยไปเรื่อยจนเขาเลิกสนใจในปลาที่จะได้จากการตกเบ็ดมาสนใจในพระพุทธธรรมะพูดกันไปพูดกันมาจิตใจปกน้มเอียงมาที่พระเจ้าเรื่อยๆจนสุดก็ชิ้งเบ็ดเลิกตกเบ็ด ตั้งใจฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจนบรรลุมรรคผลไปได้เมื่อเราจะเห็นว่าถ้ามองตอนแรกดูแลน่าเกลียดแต่นั้นคือพระหมหากรุณาที่ลดพระองค์ลงไปเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นเพื่อดึงคนเหล่านั้นขึ้นมาจากขัมของความทุกข์เป็นความการุณาที่มีต่อคนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย แต่ไม่ใช่ไปทำลายไอ้สิ่งต่างๆที่เขาไปยึดไปถืออยู่เพราะสิ่งเหล่านั้นที่จริงแล้วถ้าเป็นวัตถุมันก็เป็นทรัพย์การละเมิดทรัพย์สินของคนอื่นแสดงถึงความไม่บสุดิอยู่ภายในจิตใจเพราะั้นวิธีพุทธจึงเป็นวิถีที่ประณีตมากๆไม่ใช่มองอะไระเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งแต่มองได้รอบตัวเห็นความบริสุทธิ์สะอาดรอบตัว ไม่ใชเห็นตรงกิเลสตรงนี้ยุบไ ป, ปแต่กิเลสตรงเงินโผล่ขึ้นแล้วเราก็นึกว่ากิเลสเราไม่มีแล้วธรรมปฏิบัติในระดับนี้จึงเหมือนกับการรักษาโรคมองเห็นโรคหายแล้วไม่มีอาการของโรคแทรกซ้อนขึ้นมาแสดงว่าเป็นการหายจริงเดี่ยวแรงกํบบาลังนั่นกลับพื้นขึ้นมาเหมือนเดิมนั่นก็หมายความว่าเราหายจากโรคจริง เรื่องการหายจากโรคเป็นการพูดโรยอุปมาได้เพราะมันไม่ใช่หายถาวรออยังร่งยิบโรคทางกายนั้นแม้พระหันนั่นก็ยังมีโรคก็เป็นโรคพระเจ้าเองก็ยังมีโรคเป็นโรคกันด้แต่ว่ามองในเชิงของการเทียบเคียงเป็นอุปมาประมายในการตรวจสอบดูสภาพจิตนันก็ได้อยู่ พระอริยบุคคลระดับสกัธากามีหรือสกิตาคามีที่แปลว่ามาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวหมายความว่าท่านหยุดกระแสสังสารวัฏได้ไม่เกิดยืดเยืยาวนานอย่างคนทั่วๆไปแต่ต้องเกิดอีกอีกหนึ่งครั้งหมายความว่าท่านตายจากชาติที่เป็นมนุษย์แล้วไปเกิดอีกหนึ่งครั้งและตายจากตรงนั้นอีกเกิดอีกหนึ่งครั้ง จึงจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็ น, นิพพานไปเลยกิเลสที่ท่านละได้ไม่ได้บอกไว้ชัดเจนเพียงแต่ว่าราคะโทสะโมหะเบาลงถ้าเบาลงที่จริงมันก็เบาลงมาเรื่อยๆคนรักษาศีลแปดราคะโทสะโมหะก็เบาลงแล้วพต่ถ้าไม่เบาก็รักษาศีลแปดไม่ได้ ผลรษาศาีนในประณีตขึ้นไปเป็นศีลสิบศีนหง้เจ็ที่จริงราคาโทสะมหะต้องเบาลงถ้าไม่เบาก็ส่งศีลขนาดด้านว้ยไม่ได้ปโะสะดาบันเองนั้นราคาโทสะมหะก็เบาลงคือไม่ถึงกับทำอะไรรุนแรงจนไปเหตตกนรกอย่างที่ว่าไว้แต่ว่าท่านก็มีครอบครัวมีลูกมตตาเช่นเดียวกับสามัญชน แต่ไม่มีความประพฤติผิดในเรื่องของกามศีลห้านั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติเป็นการสำรวมระวังที่เรียกว่าสมุิเฉตวิรัติคืองดเว้นได้เด็ดขาดไม่มีแม้แต่ความคิดจะก้าวล่วงพอการละเมิดศีลที่จริงเป็นเรื่องราคาโทสะโมหะมันแรงเมื่อไม่ละเมิดเนี่ยก็แสดงว่ากิเลสมันก็ลดลงไปย ตอนนั้นตัวที่เห็นได้ชัดเจนก็คือราคาลดลงไปกว่าเดิมไม่มีหลักฐานปรากฏในคำภีพระพุทธศาสนาว่าพระยาบุคคลระดับนี้มีครอบครัวซึ่งหมายความว่าราคาสงบไปจนไม่มีครอบครัวแต่ไม่ใช่หมดเพียงแต่ว่า ไม่มีกำลังมากพอที่จะทำปฏิกิริยาต่อจิตใจของคนให้วันไหวให้แขวงไกวไปตามอำนาจของมันได้พอมาถึงสัญยาตอีกสองข้อคือการมราคาจิตเหนียวนึกตรึกนึกเรื่องนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่อาการที่จิตต้องเหนียวนึกตึกนึกในแนวนั้นแสดงว่าภายในใจยังมีกิเลส ทาให้การกำหนดวัตถุภายนอกตัวเราที่เห็นด้วยตาเป็นต้นว่าเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรานาน่าพอใจเป็นกิเลสที่ใหญ่มากๆยากต่อการที่จะตัดขาดเพราะมันเป็นเรื่องของการมคุณคนเราเป็นสัตว์โลกในการมาวุธเจรพุ่มจิตมันอยู่ระดับนั้นการจะยกจิตขึ้นเหนืออารมณ์ดนั้นได้เราแสดงว่า ไม่ใช่คนธรรมดาการละกิเลสประเภทนี้ได้จึงมีระดับพระนาคามีพระนาคามีนั้นแปลว่าผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีกต่อไปแต่ว่ากลับมีการอธิบายในลักษณะคล้ายๆกับพระนาคามีมาเกิดในโลกนี้เพื่อสร้างสมบรรมีเพื่อช่วยโลกอะไรก็ตามที่จริงไม่มี พระนาคามีท่านจะมาท่านก็มาเป็นพระเป็นพรหมมาเลยแต่มาปุ๊บปั๊บท่านก็ไปแล้วมาช่วยงานพระศาสนาบางครั้งบางคราวเช่นสมัยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่านก็มากันเช่นตอนมหาสมัยยสูดการประชุมใหญ่ของพระอระหรันต์พระนาคามีก็มาทั้งสี่องค์มาเสร็จแล้วกล่าวธรรมกถาเสร็จท่านก็กลับล ท่านอยู่ในสุดทาวาสแปลว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์และจะนิพพานในสถานที่นั้นเองเพียงแต่ว่าอยู่นานเนื่องจากอายุของภพมโลกระดับนั้นท่านบอกว่านานได้เกิดดึงตัวจากหลักเหล่านี้ก็แสดงว่าพระนาคามียุคพระพุทธเจ้ายัางไม่มีใครนิพพานเปรเียบอายุระดับของสุดทาวาสก็สั้นนิดเดียวโลกสองพันกว่าปี ตะละกิเลสประเภทโทสะที่เรียกว่าปฏิกะคือการมองอารมณ์ที่เราสัมผัสในแนวที่ไม่พอใจแต่เกิดความรู้สึกหมุนหงิดเก ร, รู้สึกรำคาญรู้สึกไม่สบายใจเป็นโทสะแต่ไม่ใช่แรงเป็นโทสะระดับอ่อนๆมีปฏิกิริยาต่อจิตนิดๆวันไหวนิดๆก็ไม่มีล่ ไม่ต้องพูดถึงกิเลสระดับแรงๆที่จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติของปุ้ทุชนทั้งหลายเมื่อก็มีการขัดเกลาวเรื่องเหล่านี้เป็นการพยายามลดอัตตานุทิทิความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนลงไปตอนนี้ไปขอให้ตั้งใจทงความสงบสึกต่อไป